ความจริงเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องกำเนิดของชีวิตมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันก็โยงต่อไปถึงเรื่องที่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะปฏิบัติกันอย่างไรในเรื่องราวและกรณีต่างๆที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ตลอดจนเรื่องอะไรต่างๆของสังคมโดยเฉพาะในเรื่องทางการแพทย์ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นมาก เช่นว่าบางทีชีวิตที่เกิดมานี้ไม่เป็นที่พึงประสงค์ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าพูดในแง่นี้ก็ไม่ตรงกับหัวข้อที่ท่านตั้งไว้ทีเดียวแต่อัตมาก็จะพูดต่อไปเลยปัญหาที่ว่าเราควรจะทำอย่างไรนี้เป็นปัญหาทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเรื่องจริยธรรมนี้เราพูดได้ว่า ต้องมองส่วนสองส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของความจริงท่านถือเอาความจริงเป็นหลักและความจริงนั้นเป็นสิ่งที่พึงรู้หมายความว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการสั่งบังคับกดจริยธรรมไม่ใช่เป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบความจริงแล้วก็นาเอาความจริงนั้นมาแสดง การที่ว่าบุคคลทำอะไรไปแล้วจะได้รับผลอย่างไรก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุผลหรือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยจากการกระทาของตอนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้มาลงโทษหรือให้รางวัลใครฉะ น, นั้นในกฎเกณฑ์แห่งจริยธรรมแบบนี้การได้รับผลของการกระทาทางจริยธรรมจึงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เป็นไปของมันเองเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปรอการลงโทษหรือรอการให้รางวัลว่าถ้าเราทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะให้รางวัลหรือเปล่าถ้าเราทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะลงโทษไหมไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งความเป็นจริงของธรรมชาติความเกี่ยวข้องของมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติข้อแรกก็คือเราจะต้องรู้ว่า ความจริงเป็นอย่างไรและในเมื่อความจริงนั้นเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเกี่ยวข้องของมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติซึ่งเป็นข้อที่สองก็คือเราจะตัดสินใจกระทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการโดยสอดคล้องกับความจริงที่เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติของเราที่ว่าควรจะทาอย่างไรนี่แหละเป็นส่วนที่สองซึ่งเป็นขั้นของจริยธรรม เป็นเรื่องของมนุษย์หรือเรื่องของตัวเราเองเพราะว่าเมื่อจริยธรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามหลักความจริงอย่างนี้แล้วการกระทำก็เกิดผลตามหลักความจริงนั้นและการไดรับผลต่างๆก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในจริยธรรมแบบนี้ก็จะมีการปฏิบัติ2ตอนคือ 1. การรู้ความจริงของธรรมชาติ 2. การตัดสินใจที่จะกระทาของตัวคนพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าความจริงที่พึงรู้หนึ่งและกรรมหรือกิดที่พึงทำหนึ่งที่ว่าพึงทมก็คือในเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วการตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรหรือจะทําอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราโดยรับผิดชอบต่อความจริงที่เป็นอย่างนั้น หลักการนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้สอนให้เราเกิดปัญญาว่าความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาตัดสินใจเอาเองตามความจริงที่เราจะต้องรู้นั้นถ้ายัางไม่รู้ท่านผู้รู้ก็บอกให้แต่เราจะเชื่อหรือไม่เราก็มีสิทธิที่จะพิสูจน์ความจริงกันต่อไปสำหรับเรื่องการเกิดนั้น ในเมื่อขณะนี้เราเองไม่สามารถบอกได้เด็ดขาดชัดเจนเราก็ต้องถือเอาเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือว่าปัจจุบันนี้แม้แต่วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในทางการแพทย์ก็คงจะไม่เป็นผู้ตัดสินว่าจะเอาอย่างไรคือยังไม่ยุติว่าชีวิตเกิดเมื่อไรแน่คนเรายังไม่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนี้ฉะนั้นก็จึงถือว่า ท่านบอกความจริงให้ในแง่มองของพระพุทธศาสนาว่าอย่างนี้เมื่อเรานับถือท่านเราก็ยอมรับความจริงนี้ทีนี้เมื่อรู้ความจริงนี้แล้วเราจะตัดสินใจทำอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามการตัดสินใจนั้นคือยอมรับความจริงแล้วก็รับผิดชอบต่อความจริงนั้นทั้งตามที่รู้และตามที่มันเป็นคือในที่สุดก็รับผิดชอบตนเองต่อผลของการกระทำ ที่จะเป็นไปตามกฎธรรมชาติการที่ยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาตินี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ดีหรือเป็นความผิดหรือทำให้เกิดโทษเราก็ต้องยอมรับความจริงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเราปรารถนาเราต้องการอย่างไรเราก็พูดพันให้สิ่งนั้นเป็นไปอย่างนั้นตามที่เราต้องการ รวมความว่าท่านให้แยกเป็นสองตอนคือการรู้และยอมรับความจริงอย่างหนึ่งการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรและเมื่อตัดสินใจทำอย่างไรแล้วก็ต้องยอมรับผิดชอบการกระทำของเรานั้นตามความจริงด้วยอย่างหนึ่งยกตัวอย่างในเรื่องชีวิตนี้เมื่อหลักความจริงมีอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไร เช่นในวงการแพทย์จะเอาอย่างไรก็ต้องว่ากันไปแต่เราต้องรู้ความจริงเท่าที่จะรู้ได้และยอมรับความจริงนั้นโดยไม่เลี่ยงพร้อมกันนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาตามการตัดสินใจนั้น